คำว่าวิธีจิตนั้นเราก็ได้แปลแล้วว่าหมายถึงการทํางานของจิตแต่จะถามเลยไปว่าการทํางานของจิตคืออะไรหรืองานของจิตคืออะไรก็อาจจะตอบแตกต่างกันไปแต่ความหมายที่ตอบในทางพระพิธรรมนั้นการทํางานของจิตงานของจิตก็คืองานรับรู้อารมณ์และถ้าถามว่าการรับรู้อารมณ์นั้นรับอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรและขั้นตอนนั้นได้แก่อะไรนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ ส่วนใหญ่จะตอบกันไม่ได้เพราะว่าความหมายได้าพาดพิงเข้าไปถึงเนื้อหาของวิถีจิตในขั้นลึกซึ่งก็จะให้ดูข้อความที่ได้กำหนดให้เห็นเป็นส่วนๆดังต่อไปนี้สักก่อนอันนี้คือวิถีจิตวิถีจิตนั้นคือการทำงานของจิตและงานของจิตก็คือการรับรู้อารมณ์อวยง่าว่าเรื่องจิตเนี่ยหน้าที่หรือการงานจริงๆคืองานรู้อารมณ์ แต่ว่ารู้แล้วรู้สึกอย่างไรหรือรู้ด้วยประการใดรู้เป็นกรรมอย่างไรนั่นเป็นเรื่องที่มีความหมายแยกขยายออกไปเพราะว่าใ น, นหลักคำตอบในทัศนของพระวิธรรมต่อคำถามที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาทำไมเนี่ยคาตอบในทางพระวิธรรมตอบว่าเกิดมาเพื่อรับรู้อารมณ์คือพูดง่ายว่าเกิดมาเพื่อรู้อารมณ์หรือเกิดมาเพื่อเสพอารมณ์เกิดมาเพื่อกินอารมณ์ ถ้าเราจะสงสัยถามว่าเรารู้ได้ยังไงล่ะว่าเรานะ่ะตั้งใจไว้แต่แรกอย่างนั้นเป็นบุพเพเจตนาตั้งแต่ก่อนเกิดก็ตอบว่าไอเจตนาที่เราตั้งไว้เนี่ยเราถึงเราจะระลึกชาติไม่ได้เราก็ตอบได้ว่าไอที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ทุกๆวันเนี่ยเราขนขวายแต่การเสพอารมณ์คือแสวงหาอารมณ์กันไม่ว่าจะเป็นการกินการกินก็เป็นการแสวงหาอารมณ์การดมก็เป็นการแสวงหาอารมณ์ เราจะอ้างว่าเราแสวงหาอะไรก็ตามจะอ้างเป็นทรัพย์สินเงินทองตัดบุคคลแต่ความหมายในทางสภาวะนั้นเราแสวงหาการเสพหรือการกระทําซึ่งสิ่งเหล่านั้นให้เป็นอารมณ์ของเราลองยกขึ้นมาเถลยว่าบางอย่างเนี่ยเป็นอารมณ์ในฐานะที่เป็นรูปเราได้มาเราครอบครองไว้เพื่อจะดูเช่นทีวีอาจจะมีเสียงปนด้วยหรือบางอย่างก็อาจจะเป็นวัตถุชิ้นเดียวแต่ว่าเป็นที่มีไว้สําหรับแสวงหาอารมณ์ ถึงสามอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นชีวิตของเราเนี่เราสแสวงหาลมทุกวันและเพราะเราปรารถนาจะเสพอารมณ์ในเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ทุกวันนี้ในชาตินี้ที่เราประจักษ์ใจอยู่ความปรารถนาที่สะสมอย่างนี้ก็จะเป็นตัวผลักดันที่ทําให้เราเนี่ยต้องเกิดเกิดชาติใหม่ก็แสวงหาลมกันใหม่และความปรารถนาที่เรียกว่าตัณหาอันนี้แหละครับที่เป็นตัวทําให้เราต้องเกิด ต้องมีตาขึ้นมาเพื่อเสพอารมณ์ต้องมีหูขึ้นมาเพื่อฟังเสียงต้องมีจมูกขึ้นมาเพื่อดมกลิ่นแล้วเราก็สะสมเป็นความปรารถนาเป็นสมุดไทยต่อไปชาติหน้าเราก็สั่งสมว่าต่อไปอย่างนี้เราจึงเกิดมาเพื่อเสพอารมณ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญหรือเป็นเรื่องที่เป็นเหมือนเราได้แสดงออกมาในโูกของวิถีจิตที่เป็นบุคคลเจตนาเดิมเกลเราอย่างนี้จึงเป็นงานสําคัญของชีวิต ทีนี้การงานการทำงานของจิตที่เราแปลมาจากคำว่าวิถีจิตโดยความหมายนั้นเรารู้ว่าการรับรู้อารมณ์และการรับรู้อารมณ์นั้นถ้าถามว่ารับรู้อย่างไรเนี่ยตอบหยาบๆเราอาจจะตอบได้ไหลายแง่แต่ตอบละเอียดนั้นแล้วตอบว่าเป็นการรับรู้อารมณ์นั้นจะต้องมีขั้นตอนนะฮะไอ้ตัวขั้นตอนในการรู้อารมณ์นี่แหละครับที่มันเป็นเรื่องของวิถีจิตละ่ะ และถ้าถามว่าขั้นตอนแต่ละขั้นแต่ละขั้นนั้นอะไรเป็นเป็นตัวขั้นตอนท่านบอกว่าขั้นตอนในการรับรู้อารมณ์นั้นเป็นขณะจิตหนึ่งหนึ่งที่ทำงานสืบต่อกันเหมือนกับระบบราชการหรือระบบการทำงานบางอย่างที่ทำกันเป็นขั้นขั้นจิตก็เหมือนกันขั้นตอนหนึ่งหนึ่งของการรู้อารมณ์ที่สืบเนื่องกันเรียกว่าเป็นขณะจิตหนึ่งหนึ่ง นะฮะเพราะฉะนั้นขนาจิตหนึ่งหนึ่งในวิถีจิตนั้นมันหมายถึงขั้นตอนหนึ่งหนึ่งในการรู้อารมณ์อันนี้เป็นเป็นจุดที่เราจะค่อยๆนำมาแสดงและทําความเข้าใจกันในฐานะที่เรียกว่าเป็นขณาหนึ่งหนึ่งของจิตนั่นก็จะขยายตรงนี้ต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าขนะจิตหนึ่งหนึ่งของจิตนั้นมีความหมายแค่ไหนอย่างไรผมเชื่อว่าเราทั้งหลายเนี่ยเราได้ยินกันมานาน ว่าขณะจิตจิตเกิดดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานหรือว่าฟังเรื่องวิปัสนากรรมฐานก็จะเคยได้ยินว่าขณะจิตหรือท่านที่ศึกษาเกี่ยวกับพุทธปรัชญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาอินเดียเขาก็จะพูดว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นพวกคณิกาวาสคณิกาวาสแปล ว, ว่าเป็น ปรัตญาเขาเรียกเป็นปรัตญาสาขาหนึ่งของปรัชญาอินเดียที่สอนว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นไม่ได้ปรากฏในฐานะเป็นก้อนเป็นแท่งแต่ปรากฏในฐานะที่เป็นขนาดย่อยคือเป็นส่วนย่อยด้วยแล้วส่วนย่อยเหล่านั้นก็มีการเกิดดับแตกตัวตลอดเวลาจึงเรียกพระพุทธศาสนาว่าเป็นคันิกาวาตการรับรู้ของเราก็รับรู้เป็นขณะไม่ได้รับรู้ครั้งเดียวแล้วรู้เรื่องเลยนะฮะ การจะรับรู้อะไรรู้เรื่องนั้นจะต้องผ่านขณะย่อยๆขึ้นมาทีละนิดเดียวนิดเหมือนก้าวขึ้นบันไดอันนี้เรียกว่าเป็นขณะนั่นขณะจิตเนี่ยเราจรึงพูดได้ว่าจิตนั้นมีความเกิดดับและความเกิดดับของจิตนั้นจิตบางประเภทก็มีความเกิดดับที่มีความหมายหลายอย่างอยู่ในนั้นการเกิดดับของจิตบางส่วนบางประเภทก็มีความหมายไม่พิเศษอะไรมาก ผมจึงได้แสดงให้ดูว่าการเกิดดับของจิตเนี่ยเราพูดตรงนี้ซะก่อนแล้วกันนะว่าการเกิดดับของจิตที่เราพูดพูดกันนะเรียกว่าขณะจิตหนึ่งหนึ่งขนาดจิตที่เกิดดับเรียกว่าเรานั่งอยู่แค่วินาทีเดียวเนี่ยจิตเกิดดับรวดเร็วนับกันไม่หวานไม่ไหวเราก็คงจะเคยได้ยินที่พวกพระพิธรรมเขาพูดกันว่ารัดนิ้วมือเดียวแสนโกดกห น, นะลัดนิ้วหมายถึง งอหรือรัดนิ้วที่ที่เราเหยียดออกเนี่ยเข้าชั่วเวลาเดี๋ยวเดียวเนี่ยครับจิตเกิดดับแสนโกรธกันนะซึ่งมันไวไวเหมือนโกก์่ะไวยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นยิ่งกว่าลิงลมยิ่งกว่าปลอดที่เราพูดพูดกันเพราะพระพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสไว้ในพระไกรปีฎกว่าจิตนั้นเกิดดับเร็วเปลี่ยนแปลงเร็วท่านใช้คําว่าเปลี่ยนแปลงก็คือเกิดดับนั่นเองจิตนั้นเป็นธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเร็ว แลท่านก็บอกว่าเร็วแค่ไหนเร็วมากเร็วยิ่งกว่าสรรพสังขารอื่นใดที่อยู่ในประสบการณ์ของเราอาธิบายได้ยากท่านว่าอย่างนั้นแม้แต่การยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นอุปมาเปรียบเทียบก็ทำได้โดยยากอันนี้ก็เห็นจะเป็นว่าเป็นบทอธิบายถึงความเร็วของจิตของพระพุทธเจ้าท่านไม่ไปพูดอิงเทียบกับอะไรคือท่านพูดหักความเร็วของอย่างอื่น ออกไปหมดแล้วก็ว่าความเร็วของจิตมันเร็วมากจนอธิบายได้ยากนั่นแหละคือการอธิบายแต่นี่กว่าจิตเปลี่ยนแปลงเร็วเราก็สงสัยว่าถ้เปลี่ยนแปลงเร็วอย่างนี้คนจะไปเห็นความเกิดดับของจิตได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่น้าหน้าแปลกคือมันแปลกตรงที่ว่าเมื่อท่านที่ไปสนใจเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเราก็จะพบว่าจิตเกิดดับเร็วก็จริงแต่ผู้ที่ปฏิบัติทำนั้นปฏิบัติแล้วเห็นได้ หรือพูดอีกทีนึงว่าการที่จะพิสูจน์ว่าจิตเกิดดับเร็วอย่างไรเนี่ยเราไม่อาจที่จะใช้เครื่องมืออย่างอื่นมาเป็นอุปกรณ์ในการจับความเกิดดับของจิตได้แต่สติที่บุคคลอบรมดีแล้วนั้นสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือดูความเกิดดับของจิตได้ที่เราเรียกว่าสติไวความไวของสติเนี่ยพูดแค่นี้ท่านที่เป็นคนสนใจเรื่องปฏิบัติแล้วนึกเข้าใจทันทีและเมื่อได้ไปเห็นแล้วก็นึกอัศจรรย์ว่า ท่านว่าจิตเกิดดับเร็วเนี่ยเราเรียนปริยัติเฉยๆแล้วกน็นึกว่าอาจจะเป็นเพียงจินตนาการพูดกันให้ทึ่งเล่นเท่านั้นให้ทึ่งเล่นนะให้เห็นเป็นเรื่องเลอหรูเป็นแนวความคิดที่วาดขึ้นมาอย่างชนิดที่ไม่มีคันลองของความจริงแต่คนที่ไปปฏิบัติถึงแล้วเนี่ยได้ยืนยันหลายคนว่าสามารถที่จะจับความเกิดดับของจิตได้จริงๆไม่ใช่เรื่องโกหกแล้วก็ยืนยันได้ว่าจิตนั้นเกิดดับเร็วจริง เรื่องนี้นะเพราะว่าสิ่งที่เราจะกำหนดรู้นั้นเป็นจิตและตัวที่ใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดรู้ก็เป็นจิตเรียกว่าเร็วต่อเร็วใช้สิ่งเร็วจับความเร็วมันก็จับกันได้ไม่ใช่เป็นของแปลกอะไรเพียงแต่ว่าไอ้ไอ้ที่เราจะเอาปใช้เป็นเครื่องมือจับได้เนี่ยเรามาฝึกซะหน่อยฝึกด้วยวิธีการเจริญสติเราก็สามารถจะจับได้ใช่ไหเหมือนเครื่องเหมือนอาวุธสงครามเนี่ยที่จะ ที่จะต่อต้านกันได้หรือที่สกัดกันได้เนี่ยก็ต้องเป็นอาวุธที่มีความไวทัดเทียมกันหรือนักมวยที่จะชกกันหักกันได้เอาชนะกันได้มันก็ต้องไวพอๆกันถึงจะเอาชนะกันได้อย่างนี้หรือนักโต้ตอบที่จะหักกันได้ก็ต้องปฏิพานไวทัดเทียมกันถึงจะเอาชนะกันได้เราะะนั้นให้ไวแค่ไหนก็ได้ถ้าสิ่งที่มากําหนดรู้นั้นมีความไวก็สามารถที่จะจับได้อ่าอันนี้นะ ในสายตาของผู้ที่ไม่ได้จเจริญธรรมแล้วก็เห็นเป็นเรื่องรู้ไม่ได้แต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้ได้แล้วก็ต่อไปท่านบอกว่ามีอายุเท่ากันอันนี้ก็เป็นข้อคิดว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในภพภูมิสามสิบเอ็ดในทางกายภาพคือในทางอายุของสัตว์ในภูมิต่างๆหรือในภูมิเดียวกันเป็นมนุษย์ด้วยกันอาจจะมีอายุในแต่ละชีวิตเนี่ยสั้นยาไม่เท่ากัน บางคนสิบปีตายบางคนห้าปีตายบางคนสามขวบตายใช่ไหมครับบางคนก็เก้าสิบปียังไม่ยอมตายบางคนยี่ร้อยี่สิบห้าปียังมีเลยเวลานี้ยังไม่ยอมตายอย่างเนี้เป็นเรื่องทั้งทางร่างก า, ายแตกต่างกันแต่อายุของจิตที่มีความเกิดดับอย่างรวดเร็วดังกล่าวนั้นท่านว่าเท่ากันทุกคนมีจิตเกิดดับเร็วเท่ากันไม่ว่าจะเกิดใน พบไหนภูมิไหนเท่ากันท่านถึงบอกสอนไว้ในหลักมรณานุสติว่าถ้าเรานึกถึงความตายของสัตว์ในบางภูมิเนี่ยเช่นไปเกิดเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนมาฟังเรื่องมรนานุสติแล้วนึกไม่ออกเพราะว่ากําหนดนึกไปว่าเมื่อไหร่จะตายเนี่ยนานเหลือเกินพระพุทธเจ้าทรงสอนว่านึกอย่างนั้นนึกไม่ออกแล้วก็ไม่น่าจะนึกแต่สิ่งที่ควรจะนึกก็คือให้นึกว่า เราเนี่ยตายทุกขณะจิตเพราะจิตของเรานั้นเกิดดับเร็วและเราจะเวลานี้อายุร่างกายเราจะมีอายุตั้งเป็นพันๆปีทิพย์แต่จิตก็ เ, เกิดดับเร็วเหมือนกับสัตว์ที่มีอายุเพียงห้าวันสิบวันอย่างพวกมแมลงตัวเล็กๆที่เราเห็นๆกันอันนี้เป็นข้อยืนยันอันหนึ่งนะครับว่าจิตของทุกคนนั้นเกิดดับรวดเร็วและมีอายุเท่ากันและอีกข้อกําหนดหนึ่งก็คือความเกิดดับของจิตนั้นเป็น ไอ้ตรงนี้แหละครับที่ถือว่าเป็นใจหลักเป็นหลักที่ยืนยันได้เด็ดขาดชัดเจนว่าการพูดถึงจิตในบทอธิบายของพระพุทธเจ้าตามแนวของพระไตรปิฎกนั้นท่านถือว่าจิตนั้นไม่ใช่อัตตาความจริงนั้นไม่มีอะไรเป็นอัตตาสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นจิตหรือเป็นนิพพานเป็นโลกุตละธรรมโลกียธรรมก็ตามยิ่งจิตนี่ยิ่งไม่เป็นอัตตาเลยเป็นอนัตตาจะพูดให้เต็มๆด้วยว่าเป็นใจหลักคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เพราะอะไรเพราะมันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างที่เขียนให้ดูข้างล่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเป็นช่วงเหมือนกระแสคลื่นหรือมันกระแสไฟฟ้ า, ฟ า, ฟาที่เราเห็นว่ามันเจิดแจ่มตลอดเวลาเนี่ยความจริงเราก็รู้ว่ามันเกิดดับด้วยความรวดเร็วมากเราเรียนวิชาเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ครั้งแรกสุดเลยเนี่ยเราก็นึกแปลกว่าทาไมมันเร็วอย่างนี้เร็วเหมือนโกหก ใช่ไหมฮะแต่เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆสิ่งเร็วๆทั้งหลายเนี่ยมันมีแล้วมันเป็นไปได้ในทางรูปธรรมและเพราะความเร็วเนี่ยทำให้เราเป็นความเจิดแจ่มตลอดเวลาจิตของเราก็เกิดดับเร็วเราก็มีความรู้สึกว่ามันเจิดแจ่มตลอดเวลานะทั้า ง, ง่วงก็ง่วงตลอดเวลานะถ้าวนล็อกก็วล็อตลอดเวลาเบิกบานเบิกบานตลอดเวลาความจริงแล้วมันมีการชะ ง, งักการชะ ง, งักเหมือนเหมือนเหมือนการระเบิดของรถที่มันแล่นไปข้างหน้าเนี่ย ความจริงมาระเบิดทีทีหรือระเบิด ห, ห่างๆ่็ น, นั้นเองตรงนี้แหละครับท่านจึงทอนขณะจิตออกมาให้เห็นว่าจิตแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยทอนออกมาอย่างชนิดที่ถีและเห็นได้ในทางปฏิบัติจริงคือจิตแต่ละขณะนั้นจะประกอบด้วยอย่าลืมว่าขณะตรงนี้ไม่ใช่โกรธขณะหนึ่งเราต้องแยกออกอ่ากกันนะโกรธขณะจึงขณะหนึ่งเนี่ยเรียกเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่ง ขน ห, หนึ่งแต่เวลาเราโกรธเช่นโกรธกึกขึ้นมาสักนาทีหนึ่งเนี่ยท่านนับเป็นขณะจิตที่โกรธติดติดกันเนี่ยนะครับมันมากมายนับไม่ท้วนที่ผมกําลังพูดเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงอารมณ์ชั่ววูบหนึ่งแต่ผมพูดถึงขั้นหนักแห่งการเปลี่ยนไปของจิตขณะหนึ่งหนึ่งอย่างในขั้นละเอียดลึกที่จะเกี่ยวกับวิธีจิตแล้วก็เขียนให้ดูตั้งแต่หนึ่งถึงห้าเนี่ยอาจจะเป็นความโกรธเหมือนกันหมอกก็ได้ ความโลภเหมือนกันหมดก็ได้ความง่วงเหมือนกันหมดก็ได้หรือความหลับเหมือนกันหมดก็ได้แต่ในห้านี้มันไม่ใช่เป็นจิตขณะเดียวเป็นจิตห้าขณะที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับติดติดกันโดยแต่ละขณะใหญ่เขาเรียกขณะใหญ่ช่วงหนึ่งนะของขณะหนึ่งเนี่ยนะเขาเรียกว่าอย่างเช่นเลงหนึ่งช่วงหนึ่งเรียกขณะใหญ่ ในขณะใหญ่หนึ่งนี้จะประกอบด้วยอาการย่อยสามคืออาการเกิดเรียกว่าอุปาธาขณะและอาการดับคือจุดสุดท้ายของขณะจิตเรียกว่าพังคะพังคะขณะแปลว่าขณะดับแล้วก็พอดับแล้วขณะใหม่ก็เกิดต่อติดกับอุปาทาของขณะจิตใหม่เริ่มก็ไปดับอีกพอดับแล้วขณะจิตใหม่ก็เกิดขึ้น สืบกันไปอย่างนี้และจุดหลังเกิดก่อนดับนั้นท่านเรียกว่าถีติขณะแปลว่าขณะตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสามอาการของขณะจิตหนึ่งหนึ่งเน่ถ้าเรามองในแง่ของพลังที่ท่านอธิบายในแง่ของพลังถ้าถามว่าขณะเกิดขณะตั้งขณะดับสามขณะนี้ ขณะไหนมีกำลังอ่อนแอที่สุดเราก็คงจะหลับตาตอบได้เดาเอาอะไม่รู้ก็พอตอบถูกคือขณะดับเป็นขณะที่อ่อนแอที่สุดและขณะที่แข็งแรงที่สุดตรงนี้ท่านอาจจะตอบผิดนะท่านบอกว่าขณะเกิดครับขณะเกิดนี่เป็นขณะแข็งแรงประหลาดอยู่เหมือนกันไม่เหมือนชีวิตคนชีวิตคนละขณะเกิดไม่แข็งแรง มาแข็งแรงตอนขณะตั้งอยู่คือตอนกลางแต่จิตเนี่ยตอนเกิดแข็งแรงท่านก็มีเหตุผลอธิบายเพราะว่าการเกิดขึ้นของจิตขณะเกิดมันได้ได้รับแรงหนุนหรือแรงดันจากจิตที่ดับไปขณะก่อนเหมือนกับไอกระแสเสียงที่ออกไปเป็นช่วงๆเนี่ยกระแสเก่าหรือคลื่นลูกเกา่าเก่าดับไปก็หนุนคลื่นลูกใหม่ให้เกิดขึ้นนั่นนั่นบอกว่าเวลาคนยกมือ หรือคนอ้าปากพูดเนี่ยจิตที่สั่งให้พูดสั่งให้ยกมือนั้นเป็นการสั่งของขณะจิตตอนเกิดนะฮะตอนดับสั่งไม่ได้มันไม่มีแรงพอแรงอัดมันไม่พอตอนตั้งก็สั่งไม่ได้สั่งได้ตอนเกิดท่านว่างนันอันนี้เป็นเป็นการพูดในมุมอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการรับรู้นะฮะ นั้นจิตทุกดวงจึงอุปาทาถีติพังคะอุปาทาถีติพังคะอุปาทาิฏติพังคะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเรียกว่าเราเนี่ยมันมีไอความเกิดดับหรือมีกระแสที่มันเป็นเหมือนไอความสั่นสะเทือนนะที่เที่ยงบางสมนาเขาเรียกว่าความสั่นสะเทือนที่มันละเอียดจิบอยู่ในตัวของเราถ้ากําหนดลูกก็เห็นลูกเกิดดับคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันถ้าดูจิตจิตมันก็เกิดดับเป็นกระแส ภาษาบาลีภาษาพระพุทธเจ้าตั้งใช้คำกระแสด้วยกระแสเหมือนกระแสน้ําหรือกระแสคลื่นกระแสน้ําก็ต่อๆกันเหมือนกันคือน้ําแต่ละหยดน้อยๆมาเชื่อมเป็นผืนเดียวกันตลอดนี่คือความเกิดดับของจิตทีนี้ความเกิดดับของจิตอย่างเนี้ยผมอยากจะพูดถึงไตรลักษณ์นิดหนึ่งก่อนที่จะเลยไปและจะชี้ให้เห็นว่าการเรียนรู้เรื่องวิถีจิตเนี่ยยิ่งทําให้เราทราบซึ้งในหลักอ น, นัตตาของพระพุทธเจา้า และยอมรับว่าการที่บุคคลจะรู้อะไรเพียงชั่วแวบเดียวฟายฟาแลบเหตุปัจจัยชุมนุมกันมากมายเหลือเกินนะและการสั่งการบังคับบัญชาเนี่ยไม่มีเด็ดขาดมีแต่เหตุมีแต่ปัจจัยทั้งนั้นคือตัวที่รับรู้มันก็เป็นเรียกว่าเป็นของแต่เหมือนกับกองฝุ่นกองหนึ่งที่แตกละเอียดยิบและเหตุปัจจัยที่มาทําให้ฝุ่นนั้นเกิดการเคลื่อนที่ ก็มากมายหลายอย่างชีวิตจึงเป็นเรื่องของความไม่มั่นคงอ่ะเพราะมันมีเหตุปัจจัยอุดหนุนตลอดเวลาเดี๋ยววันนี้จะแสดงเหตุปัจจัยในส่วนยำๆให้ดูเพื่อให้เห็นเป็นนิทัศน์ขยับเข้าไปขั้นต้นก่อนเรามาดูดีครับว่าอุ ป, ปาทาถีติพังค่าเนี่ยตรงไหนเป็นอนิจจังตรงไหนเป็นทุกขังตรงไหนเป็นอนัตตาให้ท่านตอบท่านอาจจะตอบไม่ตรงกับที่ผมจะพูดนะผมก็จะบอกเสเลยว่า มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขนณะแล้วครับอา้าวท่านลองสอบดูนะว่าอุปาทะคือขณะเกิดทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไหมเกิดอยู่งั้นตลอดได้ไหมไม่ได้รีบแล้วว่าเป็นทุกข์แล้วใช่ไหมแล้วก็เที่ยงหรือไม่เที่ยงคงที่ไม่คงที่ไม่คงที่เป็นอนิจจังแล้วบังคับบัญชาได้ไหมเราจะบังคับเองแล้วให้คนอื่นบังคับหรือสร้างเหตุปัจจัยอะไรมาบังคับให้มันอยู่ ไได้เพราะฉะนั้นอุปาทะจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาครบถิติจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาครบอธิบายํำลองเดียวกันพังคะจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาครบนี่ไม่อย่างนั้นก็มีถ้าเราบอกว่าอุปาทะเป็นอนิจจังหรือพังคะเป็นอนิจจังก็จะมีสังขารธรรมบางส่วนที่ไม่เป็นไตร ล, ลักษณ์คร บ, บคือมันมีช่องที่ไตร ล, ลักษณ์มันไปลงไม่ครบ มันลงได้แค่อนนจังอีกสองอย่างลงไม่ได้มันจะกลายเป็นงั้นไปแต่ในหลักพระพุทธเจ้าสภาวะธรรมทุกอย่างทุกหัวลแหงล้วนแล้วแต่เป็นอนนจังทุกครั้งหน้าตาหมด อ, อันนีผ้ผมผ่านตรงนี้ไปนะครับแล้วเราก็จะไปดู <c oughs> ความเปลี่ยนแปลงของจิตที่ขยับเกี่ยวเข้ามาในส่วนของวิถีจิตตอบบางส่วนก็เขียนให้ดูในเอกสารบ้างแล้วกระแสจิต ที่ภาษาบาลีใช้คําว่าโสตะโสตะที่ความหมายอย่างหนึ่งหมายถึงหูหมายถึงหูเพราะว่าหูเนี่ยเป็นอวัยวะที่รับกระแสะเสียงก็เลยเรียกว่าโสดโส ด, ดตันหาก็เรียกว่าโสตเหมือนตันหามออกมาเป็นกระแสะตันหาโสตาก็มีภาษาโสตะก็คือหูแล้วก็จิตนี่มันเป็นกระแสะที่สืบเนื่องกัน เราสรุปอย่างสั้นๆที่สุดว่ากระแสจิตเนี่ยมีอยู่สองกระแสนะกระแสหนึ่งเรียกว่าเป็นกระแสผวังคือผวังขจิตผวังคจิตนะั้นไม่ได้แปลว่าจิตเป็นสมาธิลึกซึ้งอย่างที่พูดกันเพ ล, ลินไปผวังหมายถึงจิตจิตตื่นจิตหลับครับจิตหลับ อัทนที่ฟังพระพิธรรมมาแล้วก็จะจําได้ว่าหมายถึงจิตหลับภวัว่างเนี่ยแปลว่าหลับหลับอย่างเรานอนกลางคืน น, นั่นแ่ละเรียกว่าหลับแต่ว่าในหลักวิถีจิตนั้นมีหลับกลางวันด้วยแล้วก็อีกกระแสหนึ่งเรียกว่าเป็นวิถีจิตที่เกิดตีต่อเนื่องกันเป็นผื้นเป็นกระแสเหมือนกันเราทุกๆุวันนี่นะครับเวลาหลับเราก็มีจิตเกิดขึ้นสองกระแสสลับกันตื่นก็มีจิตเกิดขึ้นสองกระแส อย่างเราเนี่ยทุกคนถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นพวกที่เล่นทางสมาธิดีดีนะเวลาหลับกลางคืนแล้วก็จะต้องตื่นใช่ไหมเนี่ยเราต้องการจะหลับแต่มันตื่นตื่นแทรกเข้ามารู้สึกว่าในทางวิทยาศาสตร์เขาก็ยืนยันมาเหมือนกันว่าเวลาเราหลับเนี่ยเราจะมีฝันใช่ไหมใช่มีฝันแทรกเข้ามาทุกคืนและครับเป็นธรรมดาแล้วเดี๋ยวถึงระยะก็จะต้องฝันแล้วก็หลับ เนี่ยการหลับของเราเนี่ยจึงเป็นการหลับที่ต้องเสียเวลามากแต่ว่าได้อานิสงส์เนี่ยน้อยนะฮะมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างในการผมไม่พูดอ่ะมันมันเกี่ยวกับอะไรอะไรลุงรังหลายอย่างแต่คนที่เล่นทางสมาธิหรือพวกที่เจริญสติหลับน้อยแต่ว่าได้อานิสงส์มากอาที่พูดอย่างนี้เนี่ยเราหักกลบบวกลบคูณหารคิดเป็นอัตราความหลับออกมาเลย สมมติว่าหลับสิบเท่ากันหักไอกจิตตื่นอะไรไปแล้วเนี่ยนะเอาหลับสิบเท่ากันคนทําสมาธิอาจจะหลับหลับได้สิบในเวลาเจ้าโมงครึ่งคนที่ไม่ทําสมาธิหลับได้สิบในเวลาหกโมงมุดกันนะเอาเป็นว่าออกมาสิบเหมือนกันแต่คุณภาพของความหลับเนี่ยไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะคนที่ไม่ได้ฝึกทางจิตนั้นการหลับ ของเขานั้นจะไม่ละเอียดไม่ละเมียดละไมเหมือนกับคนที่ฝึกสมาธิใช่ไหมเหมือนอย่างเราเอาแค่สวดมนต์ก่อนนอนก็พอสวดมนต์แพร่เมื่ตามทำสมาธิก่อนนอนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าแตกต่างกันกับาการหลับอย่างธรรมดานะครับเพราะไอเหตุผลสําคัญก็คือกิเลสเข้าไปเกี่ยวข้องจะเริญสมาธิกิเลสไม่เข้าไปเกี่ยวข้อ ง, <c oughs> น, องนี่เราเราสลับอย่างนี้ไม่ให้เวลานอนหลับมีหลับหลับตื่นๆ แต่ถามว่าหลับกระต่นอะไรมากกว่ากันเราก็ต้องบอกว่าหลับมากกว่าใช่ไหมอันนี้แน่ๆเลยหลับมากกว่าทีนี้เวลาเราตื่นพอตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตตื่นไม่ได้เอ็นหลังนอนเลยจนกระทั่งถึงเวลานอนเราหลับไหมเราหลับในระหว่างนั้นไหมหลับท่านบอกว่าหลับอันนี้ก็กรงกระตังตังพวกฝรั่งกับคนคิดเหมือนกันเขามีเครื่องไม้เครื่องมือคนจับของอีย่างของเขานะเขาก็บอกว่าหลับเหมือนกัน ของเรานะพูดมานานแล้วและอัตราส่วนความตื่นกับความหลับแม้ในเวลาตื่นคือเวลากลางวันการหลับก็หลับมากคนที่จะหลับน้อยในเวลากลางวันหมายถึงหลับแทรกนะฮะไอเรานี่ย ม, มันมีประเภทตื่นไม่ตัวไม่นอนก็จริงแต่ว่ารักหลับมีจิตมันรักหลับรักนอนกลางวันโดยที่เหมือนและอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยผมยืนอยู่ก็เหมือนกัน ท่านพูดในทางวิถีจิตว่าคนที่หลับระหว่างตื่นน้อยเนี่ยเป็นคุณสมบัติของคนปราดเปรึ่งของคนมีความสามารถทางจิตสูงท่านว่างั้นนะนั่นพวกที่ปฏิพานไวพวกที่โต้ตอบไวตอบไวตอบถูกตอบไว ด, ด้วยถูกด้วยอย่างกรณีของพระสัริบุตรด้วยของพระพุทธเจ้าเวลาตื่นเนี่ยท่านจะหลับแทกน้อย อัตราส่วนตื่นกับหลับเนี่ยเท่ากันเท่ากันอย่างของเราเนี่ยมันไม่เท่าอัตราตื่นตอนกลางวันเนี่ยมันมีน้อยแต่หลับเนี่ยแสกมากเพราะฉะนั้นความสามารถทางจิตเราเนี่ยเรานึกองี่ครับเวลาเราอ่านหนังสือหรือฟังอะไรเนี่ยอารมณ์มันมากระทบจิตแล้วกระทบประสาทนี่ถ้าอารมณ์มันมาตอนหลับมันก็ฟรีไปใช่ไหมหายไปเลยแต่ถ้าอารมณ์มันมาตอนตื่นเราก็ ได้รับรู้ได้เสพติ่งเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์แก่ความเฉลิยวฉลาดต่อไป <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นเป็นข้อเท้จริงอันหนึ่งในทางหลักแล้วเพราะมันก็เกิดสลับกันอย่างนี้ <c oughs> ก็เขียนให้ดูครับว่าแล้วก็เกิดสืบต่อกันมาระยะหนึ่งแล้วถึงขึ้นวิถีจิตวิถีตอนอยู่ในท้องเป็นวิถีที่ละเอียดอ่อนและพอพ้นวิถีก็หลับหลับแล้วก็ขึ้นวิถี แต่ตอนอยู่ในท้องเนี่ยอัตราความหลับมันมีสูงมากก็สอดคล้องกับที่เราเห็นนะในลักษณะของเด็กจะว่าจะอยู่ในท้องเลยแม้แต่ออกคลอดออกมาจากคันแล้วเราก็เห็นว่าเด็กนั้นหลับเป็นส่วนใหญ่พระกุฎิจา่าท่านบอกว่าเด็กเนี่ยกินกันนอนเราก็วางนะกินกันนอนร้องกินนอนร้องมีอยู่แค่นี้ยถ่ายด้วย อันี้อย่างเราเนี่ยพอเจริญแต่ตอนมันก็สลับกันอย่างนี้วนเวียนวนเวียนถ้าถามว่าทําไมล่ะเราจึงไม่หลับตลอดหรือถามว่าทําไมเราเราจึงไม่ตื่นตลอดทําไมจะต้องมีการสลับกันอย่างนี้ด้วยทําไมถ้าถามนะคําตอบนั้นคือนะคาตอบคือถ้าถามว่าทําไมเราไม่ตื่นตลอดก่อนนะ คำตอบนะมีสองคำคำตอบสองสองอย่างอย่างที่หนึ่งที่เราต้องหลับเป็นระยะระยะก็เพราะว่าจิตหลับนั้นมันเป็นจิตอย่างที่ทขาเรียกว่าพวังขจิตนะ่แปลว่าจิตหลักที่เป็นองค์แห่งภพภาะวะบวกอังคะองค์แปลว่าหลักหลักหรือเป็นตัวรักษาสาภาพชีวิตของเราให้เป็นอยู่อย่าง เราลองสมมติว่าเราเชื่อว่าคนเราเนี่ยตายแล้วเกิดไปเกิดเป็นวัวมีเขามีหางมีเท้าสีเท้าไปเกิดเป็นงูตัวยาวๆเลื่อยไปเลื่อยมานะคือว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะไปเกิดเป็นสารอะไรก็คือเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและจิตใจในส่วนอื่นๆเป็นไปตามสภาพของกําเนิดที่เราไปเกิด น, นี่เรามาคิดดูว่าในชีวิตของเราเวลานี่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เรานอนไปคืนนึงตื่นขึ้นมาทําไมเราไม่มีขางหมอออกมาอีก เป็นกิ่งเกืออย่างนั้นนะลึอตื่นขึ้นมาทําไมไม่มีเขาโผล่ขึ้นมาบนหัวไม่มีหางโผล่มาที่หางทําไมละ่ะทําไมจะต้องรอไปตายแล้วก็ไปเกิดตามยถากรรมไปเกิดเป็นสัตว์นั้นสารพเภททั้นสระเภท น, น, ภท น, น, ภทนี้อันนี้พูดอย่างคนที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดและชีวิตเปลี่ยนแปลงได้กายภาพเปลี่ยนแปลงไปเป็นต่างๆได้อย่างไม่มีข้อจํากัดที่เราไม่เปลี่ยนในระหว่างชีวิตนั้นก็เพราะว่า ตัวเพาวังนั้นเป็นตัวรักษาไว้ถึงเรียกว่าเป็นองค์ของภพภบพเบนหมายถึงภพชาติที่เราเป็นเป็นภพมนุษย์หรือภพเทวดาหรือภพสัตว์เในไรฉันประเภทใดๆก็ตามเรียกว่าภพแล้วก็มีเพาวังเนี่ยเป็นตัวรากแก้วเป็นตัวรักษาถ้าเพาวังนั้นยังสือบอยู่ยังเกิดคุมเลี้ยงสภาพชีวิตนั้นอยู่ชีวิตเราก็ยังไม่เปลี่ยนนั้นใอาการที่เราไม่ตายเนี่ยไม่ตายอย่างเช่นว่านายคนหนึ่ง ตั้งแต่แกเด็กๆมาแกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถึงว่าเป็นเป็นพรานจับตาภาพน้ําส่งขายตามผัาตาข่ายนะทําไมชีวิตแกลุ่งขึ้นแกนถึงไม่ไม่กลายเป็นตาภาพทําไมต้องรอให้ตายซะก่อนแล้วถึงไปเกิดเป็นตาภาพหรือตอนใกล้จะตายถึงอาการออกมาเป็นตาภาพนะทําไมถึงไม่เป็นระหว่างนั้นที่ยังไม่เป็นระหว่างนั้นก็เพราะว่าผวังของเขาในชาตินั้นยังสืบอยู่ เวลาตายเนี่ยมันหมายก็ว่าผาวังนั้นไม่สืบต่อแล้วกรรมนั้นก็จะไปสร้างผวังใหม่ขึ้นมาเรียกว่าปฏิสนธิชาติใหม่เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าผวังนั้นก็คือปฏิสนธิคือผวังดวงแรกก็เกิดขึ้นมาในชาติใหม่มันก็สร้างอัตภาพแล้วก็รักษาไว้จนกว่าจะสิ้นชีวิตหมดกรรมผวังมันก็เปลี่ยนสภาพรักษาองค์ของมันใหม่ในแต่ละภพแต่ละชาติเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเหตุหนึ่งนะครับว่า เาวังจําเป็นต้องเกิดเพื่อรักษาไว้คือเราเราจะใจเผลอใจไปโลภไปชอบเป็ดชอบอไปชอบเลี้ยงไก่ชอบเลี้ยงนกเขาชอบเลี้ยงมาเล่นมามันก็ไม่เผลอกลายเป็นมาไปชาวนานะชาวนะที่มันแทรกมันในระหว่างเาวังนะไปเพลิดเพลิน อ, อะไรก็แล้วมันไม่เผลอไปเพราะว่าเผาวังนะมันเข้าไปคุมไปไปแทรกไว้ชีวิตเราถึงเป็นอย่างนี้นี่เป็นอํานาจของจิตที่มันเนื่องด้วยกรรมที่ เราไม่เคยเรียนรู้กันมาก่อนนะไม่เคยเข้าใจแต่พระพุทธศาสนาเข้าใจและได้อธิบายไว้ก็ถ้ายังไม่ไม่ทราบซึ้งจึงใจก็ยังไม่เป็นไรต่อไปเราได้เรียนรู้อะไรแต่ไรแล้วมันมายันก็จะบ่งความชัดเจนถึงข้อเท็จจริงอันนี้มากขึ้นไปกว่าที่ผมพูดในฝั่งแค่นี้นี่เป็นเหตุที่หนึ่งเหตุที่สองเหตุที่สองนะครับที่ผวังเกิด นะฮะที่มันเกิดอยู่มากมากมา ก, มากบางน้อยบ้า ง, า ง, างเนี่ยเพราะว่าอารมณ์ไม่กระทบคือเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดวิถียังไม่มีตราบใดเพราะวังมันก็ยังอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นเมื่อเราไปหลับไปนอนในที่เงียบๆที่หนึ่งเสียงไม่เข้ามารบกวนนะฮะอากาศไม่ร้อนจัดแม่หนาวจัดหลังคาไม่รัว่วเราก็นอนหลับสนิทไปได้เรื่อยๆใช่ไหม แต่เมื่อใดมีใครคนหนึ่งเขาเปิดประตูห้องเขามาแล้วก็ส่งเสียงเจียวเรียกเราก็ดีหรือสะ ก, กิดปลุกเราด้วยประการอื่นก็ดีเราก็ไม่อาจที่จะหลับต่อไปได้เราต้องตื่นใช่ไม่ใช่บางท่านอาจจะบอกเอา้าบางทีก็ไม่ตื่นไม่ใช่เหรอไอ้บางคนเอาไฟไหม้มันไม่ตื่นเลยเอาละ ไอ้ตรงนี้เราเราอาจจะขี้เศ้าต่างกันมันมันมีเหตุปัจจัยที่บายได้หมดเดี๋ยวก็อาจจะต้องพูดกันตรงนี้เดียกันว่าทำไมบางคนตื่นง่ายบางคนตื่นยากมันมันมีเหตุปัจจัยนะเอาเป็นว่ า, าแรงกระตุ้นสำหรับปลุกคนให้ตื่นจากความหลับนั้นจะแตกต่างกันยังไงก็ตามแต่เรารู้อยู่ว่าถ้าไม่มีอะไรมากระตุน้นไม่มีอะไรมาสะกิดแล้วมันก็จะต้องหลับแต่เมื่อมีอะไรมาสะกิดแล้ว ก็ต้องตื่นนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ผวังคงเป็นผวังเนี่ยมันเป็นได้กำลังที่จะต้องหล่อเลี้ยงรักษาได้ตัวมันเองอันหนึง่งและเพราะไม่มีอะไรมาสกิดให้มันตื่นคือไม่มีอารมณ์มาสกิดให้ตื่นมันก็ยังคงเป็นผวังของมันต่อไปแต่เมื่อมีอารมณ์มาสกิดให้ตื่นมันก็จะขึ้นวิถีทันทีจริงหฮะเมื่อมีอะไรมาสกิดให้ตื่นจะขึ้นวิถีทันที ตี๋เรียกว่ามีอารมณ์ปลุกการปลุกคนให้ตื่นก็คือการเสนออารมณ์รูปใดรูปหนึ่งไปที่ปราสาทของคนผู้นอนหลับอยู่ใช่ไหมฮะเวลาเราปลุกคนให้ตื่นบางคนก็ตื่นยากเอาน้าานําสาดไปยังไม่ตื่นนะครับอันนี้มีประเภทที่ขี้เศราเมาพวกนี้บางคนเอาเอ า, เอาไม้ตีข้างฝายังไม่ตื่น ปกขี่เศร้ามากๆบางคนก็ตื่นง่ายเพราะว่าเหตุปัจจัยแตกต่างกันที่ผมข็ยากไว้เนี่ยอันนี้เป็นเป็นคําตอบทีนี้เมื่อจิตขึ้นวิถีแล้วเมื่อจิตขึ้นวิถีเรารู้ว่าที่จิตขึ้นวิถีนั้นเพราะมีอารมณ์มารกระทบทีนี้ถ้าถามว่าทําไมจิตขึ้นวิถีมันถึงไม่ขึ้นวิถีไปทั้งวันขึ้นแล้วทําไมต้องต้องลงต้องออกจากวิถีต้องจบวิถีจบวาระกรบรอบของมัน คือพูดง่ายๆว่าตื่นแล้วทำไมต้องหลับคำตอบก็คือเพราะอารมณ์ที่มากระทบประสาทเราหรือมาปลุกจิตให้ตื่นจากหลับเนี่ยมันมีอายุของมันครับมันมีอายุของมันถ้าอารมณ์หมดอายุคืออารมณ์จางเมื่อไหร่มันก็เหมือนข้าวหมดปากข้าวหมดปากเรากร้นหมดแล้วข้าวเราเปิลก็ไปคำไม่จะเี้ยวเลยทั้งัน ไม่ใช่หมักฝรั่งเคี้ยวพอกลืนหมดปากแล้วก็แปลว่าคําข้าวนั้นหมดหมดปากเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเคี้ยวเคี้ยวก็เคี้ยวไปอย่างนั้นแหละนะไม่เรียวกว่าเป็นการเคี้ยวอย่างที่เราเคี้ยวกลืนอาหารกันอั้นอารมณ์มากระทบหูเนี่ยเมื่ออารมณ์มากระทบหูแม้ว่าเราจะพูดกันชั่วโมงของชั่วโมงเนี่ยนะอารมณ์เวลาออกไปเนี่ยเป็นเป็นประโยคเป็นเป็นคําพูดหนึ่งพยางค์หนึ่งเนี่ย เราจะต้องพูดถึงรายละเอียดขั้นนี้ออกไปพยายางอย่างเราพูดว่าท่านผู้มีเกียรติที่เานะคารพคําว่าท่านออกไปนี่ถือว่าเป็นคําหนึ่งของอาหารแห่งอารมณ์ไปกระทบหูวิถีจิตเกิดพอมสิ้นสุดคําว่าท่านจิตเกิดอีกไม่ได้แล้วต้องลงวิถีสุดแค่นั้นแล้วต้องหลับและคําว่าที่โผล่ขึ้นมาเป็นคําข้าวคําใหม่ วิถีจิตวิถีหนึ่งก็จะโผล่ขึ้นมารับคําพูดคํานั้นแล้วก็จบใหม่จบแล้วก็ขึ้นวิถีใหม่พอหมดอารมณ์ก็ลงมีอารมณ์ใหม่ก็ขึ้นใหม่สืบเนื่องกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นวาระหนึ่งของวิถีจิตหนึ่งเราจึงไม่อาจที่จะตื่นได้ทั้งวันนะหรือตื่นได้ติดต่อกันตลอดห้านาทีหรือสิบนาทีก็เพราะว่า อารมณ์ที่เข้ามากระทบเหล่านั้นมันมีปริมาณจํากัดเรียกว่ามีอายุจํากัดจึงจึงต้องลงต้องหมดต้องลงแล้วขึ้นกันใหม่เหมือนกินก้าวละเปิบคํ า, คล า, คล า, คลาแล้วคําเล่าคําแล้วคาเล่าบอกกลืนหมดก็เปิบเปิบใหม่กลืนหมดเปิบใหม่อย่างนี้นะครับนี่เป็นอาการเหมือนวิถีจิตเลยเข้าถึงจุดที่เรียกว่าวิถีจิตนะฮะว่าพอวางครจิตมันก็เปลี่ยนแปลง วิถีจิตก็เปลี่ยนแปลงเป็นขนาดขนาดการเปลี่ยนแปลงของวิถีจิตกับของภวังคจิตนะผมได้บอกไว้ว่ามันต่างกันตรงไหนภวังคจิตไม่เรียกวิถีจิตนะทําไมล่ะทั้งที่ว่าภาวังขจิตมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นขณาดขนาเหมือนกันวิถีจิตก็เปลี่ยนแปลงเป็นขนาดขนาเหมือนกันแล้วก็ภาวังขจิตเกิดแล้วก็มีมีวันมีจุดจบที่วิถีจิตวิถีจิตเกิดแล้วก็ไปจบที่ภวังขจิต พาวังจิตเกิดต่อจากวิถีจิตมันก็ไปจบที่วิถีจิตสลับคนไปอย่างที่เขียนให้ดูพรวังว่าเป็นวิถีจิตจุดต่างที่เราเราสกัดวิถีจิตเอาออกไปก่อนที่มันไม่เหมือนอพระวังขจิตออกไปจากวิถีจิตนะ่ะคือตรงนี้นะที่ที่เขียนบอกไว้ว่าถ้าเป็นภรวังขจิตนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อๆกันเป็นแต่เปลี่ยนขนาดจิตเลยไปเลยไปโดยไม่ได้เกี่ยวกับการรับรู้อะไร อย่างที่เรารับรู้กันนี้หรืออย่างวิถีจิตรับรู้เรียกว่าเป็นการเกิดขึ้นและดับไปสักแต่ว่าเปลี่ยนขณะจิตไปเท่านั้นเอ ง, องเช่นเราไปนอนที่ใดที่หนึ่งไปนอนหน้าจอทีวีหน้าจอภาพยนตร์หรือหน้าจอหน้าเวทีที่เขาแสดงหมหาลสาวไอคนตื่นดูมก็จิตมก็เปลี่ยนขึ้นวิถีไปไอคนหลับก็จิตเกิดดับเกิด ด, ด, ด, ดับกระดับเหมือนกัน แต่สองคนเนี่ยคนหนึ่งหลับคนหนึ่งตื่นความแตกต่างในทางการรับรู้ต่างกันไหมต่างกันไอ้คนหลับจิตเปลี่ยนแต่ไม่รู้อะไรเลยไอ้คนขึ้นวิถีจิตเปลี่ยนแต่รู้อะไรคนเลาะเอาหาหรือเศร้าโศน้ตาไหลก็ตามนี่แหละครับคือพวังพจิตเกิดดับสักแต่ว่าเลื่อนขณะหรือเปลี่ยนขณะไปตามสภาพของสังขารธรรมที่จะต้องเปลี่ยนต้องเกิดต้องดับ แต่ไม่มีค่าในทางการรับรู้ทางนี้ทางนั้นน่ะผมหมายความว่ า, าการรับรู้อารมณ์ปัจจุบันอันนี้เราคงจะต้องย้อนกันนิดหนึ่งว่าผวังคจิตนั้นถ้าถามว่ารู้อารมณ์อะไรไหมใครที่ฟังอภิธรรมมาแล้วก็จะต้องนึกตอบได้ว่ารู้เหมือนกันแต่อารมณ์ที่ผวังขจิตรู้นั้นเป็นอารมณ์เก่าใช่ไหม อารมณ์เก่าที่ติดมาจากชาติก่อนที่กรรมมันยัดใส่ก็มาคือกรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์กรรมอารมณ์ที่เราได้ทําอะไรไว้แล้วตอนก่อนตายเนี่ยมันอารมณ์โผล่ขึ้นมาแล้วเราก็จุ่ติไปเกิดใหม่อารมณ์นี้มันก็ติดค้างใจไปเกิดชาติใหม่บอกแล้วมันก็จับอารมณ์นั้นแหะครับเห็นอย่างไร <S <S แจ่มแจ้งแค่ไหนมันก็แค่นั้น <S <S <Andre> เวลาเราหลับเนี่ยเรามีอารมณ์หลบอยู่ข้างหนเราลุ้มไม่ว่าเรามีอารมณ์อะไรเราไม่รู้ เพราะอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ที่แฝงเร้นเหมือนกับเราเนี่ยเรามีความถนัดจัดเจนหรือกําหนดจดจําอะไรเอาไว้เนี่ยเรื่องที่เราเก็บไว้ในใจเนี่ยเราไม่รู้ตั้งเยอะแยะจริงหรือเปล่าเนี่ยเรานึกไม่ออกว่าเรารู้อะไรที่มันหลบหลบอยู่ข้างในเนี่ยระวังขจิตเนี่ยจับอารมณ์เรียกเป็นอารมณ์เก่าสำนวนพวกอภิธรรมพูดง่ายๆอารมณ์เก่าคือเก่าจากชาติก่อนมันเก็บลึกอยู่ข้างในเราก็ไม่รู้มันอะไร ฟื้นไม่ออกแต่คนที่เขาฝึกทางจิตเขาดูได้เขาสอบได้ว่าคนไหนมีอารมณ์ในใจยังไงนะระวังจิตเนี่ยองคจะต้องไปอาศัยการฝึกฝนทางจิตล้วงเข้าไปข้างในเราว่าเรายอมรับว่าจิตของรัเป็นขุมพลังอะไรแต่อะไรไม่รู้ใส่ไว้เนี่ยนะั้นมากมายเวรกรรมความถนัดจัดเจนนะอารมณ์ที่มันแฝงเลนอยู่ข้างในยอยู่ในหลบอยู่ในเนี้เรามองไม่ออก ต้องอาศัยการฝึกฝนหรือวิธีการเพื่อที่จะดึงมันออกมาก็เป็นของเก่าเรียกว่าภรวะวังคจิตเนี่ยเกิดขึ้นกี่ครั้งกี่หุนกี่ขณะซ้ำแล้วซ้ำอีกอยังไงอารมณ์ของมันก็อย่างเก่าไม่มีการพัฒนาความรู้สึกและพัฒนาการรับรู้อะไรให้ดีขึ้นเลยเรียกว่าเป็นจิตเท่าทุนนะเราพูดอย่างสํานสนนนี่เราเป็นจิตเท่าทุนพระพุธทธเจ้าต้องบอกว่า ถ้าคนจะทำบาปเนะ่ยไปหลับซะดีกว่าไปนอนซะดีกว่าเพราะนอนแล้วมันไม่ไม่ขาดทุนทำบาปนี่ขาดทุนถ้าคนจะทำบาปไปนอนหลับซะดีกว่านะแต่เมื่อว่าคนเอาแต่นอนเอาแต่นอนออเอาแต่นอนหรือใครเขาโมาแกเอาแต่นอนเอาแต่นอนบอกเนี่ยผมทำตามพระพุทธเจ้าแนะนำเพราะผมเวลาตื่นเนี่ยผมเป็นคนชั่วร้ายมากผมก็เลยหลับให้มันเท่าทุนเนี่ย แต่ถ้าคนจะทําดีทําให้ชีวิตดีขึ้นมันทําบุญถือว่าได้กําไรเพราะไอ้หลับเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเท่าทุนแล้วมันจะต้องเท่าอย่างนี้ตลอดนะเพราะผวังผจิตเนี่ยกรรมเก่ามันสร้างมาอย่างเราเนี่ยได้ผวังผาจิตที่รักษาความเป็นมนุษย์ไว้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ไปชั่วกับยั่วกันกรรมที่เรียกว่าชนก ก, กรรมที่เป็นตัวสร้างผวังขึ้นมาที่เราได้ทําบุญไว้เพื่อความเป็นมนุษย์แล้วก็ไอ้บุญนั่นก็มาทําภวังให้เกิดขึ้น พวังนั้นก็ยังเกิดต่อเนื่องกันเท่าที่ชนกกรรมยังรักษาถ้าเราเอาตหลับเอาตหลับมันก็เท่ากับหมดหม ด, หมดทุนหมดทุนตายแล้วก็ไม่ได้ทำบุญไว้ก็โดยมากบาปมันก็จะเข้ามาแทรกแล้วก็จะฉ่วยให้เราไปเกิดในทางต่ำในภูมิต่ำต่ำตอไป <c oughs> อันนี้เป็นเป็นพวังขจิตมันเกิดดับแปลเปลี่ยนขนาดแต่ถ้ามีอารมณ์มากระทบ ที่ประสาทและพะวังเกิดไหวเปลี่ยนมาเป็นจิตตื่นแล้วจิตก็ยังเกิดดับเกิดดับเลื่อนขณะแต่การเลื่อนขณะของวิถีจิตนั้นมันมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมหลายอย่างที่จะชีเห็นต่อไปนี้นะพอจิตขึ้นวิถีหรือจิตตื่นถึงมันเกิดดับก็จริงแต่มันไม่เกิดดับในลักษณะซ้ำสรางหรือในสภาพเดิมเดิมอย่างพวังขจิต ขณะแต่ละขณะที่เปลี่ยนหรือเลื่อนไปนั้นมันมีการเลื่อนการรับรู้ที่ถือเป็นจุดสาคัญของเรื่องวิจีจิตการรับรู้ในที่นี้ผมหมายความถึงความกำหนดรู้ในอารมณ์หรือความเข้าใจในอารมณ์ที่เรารับรู้นั้นจะชัดเจนขึ้นรู้เรื่องขึ้นเข้าใจดีขึ้นยิ่งขณะจิตผ่านไปมากเท่าไหร่ยิ่งเข้าใจมากขึ้นมากตอะนั้น มีสภาพเหมือนกับเราเรียนหนังสือคล้ายๆเรียนหนังสือในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงที่ผ่านไปนั้นมันไม่ได้ผ่านไปเป็นวันๆหนึ่งเฉยๆแต่วันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งบทหนึ่งตัวหนึ่งทั้งตัวอักษรวลีหนึ่งประโยคหนึ่งหน้าหนึ่งย่อหน้าหนึ่งเหล่านี้มันมีความหมายต่อการพัฒนาการความรู้ของบุคคลผู้นั้นอนันเมื่ออารมณ์กระทบตาภับ จิตขณะแรกเนี่ยมีการรับรู้นับเป็นหนึ่งเราพูดเป็นแบบสมมุติเป็นหนึ่งพอขณะจิตนั้นดับไปขณะจิตที่สองโผล่ขึ้นมารับอารมณ์นั้นต่อการรับรู้เพิ่มเป็นสองขณะจิตที่สามเกิดขึ้นต่อการรับรู้เพิ่มเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าจนกระทั่งไปถึงจุดหนึ่งที่มันเป็นเรียกว่าเป็นจุดลุกชนของของการรับรู้ ที่เรียกว่าชาววนะันหน้าตอนนี้ผมยังไม่ไปไปพูดเรื่องศัพท์ทางวิชาการนะเอาพูดหลักที่ควรจะต้องรู้ก่อนชาววนะนไอ้จุดนี้นะครับเป็นจุดจะ เ, เป็นจุดเผาไหม้ของการรับรู้ของเราถ้าเป็นความโกรธก็โกรธตรงนั้นถึงจุดแจ้งแล้วว่าเออนี่เขาดา่าเรานี่เขาทําลายของเรานี่เขากลาำลังทำทําทําอันตรายแก่คนที่เรารักเราก็เกิดความโกรธขึ้นมาตรงนั้นมันก็ จะแสดงอาการเป็นชาวนาจิตเวลาเขาเขียนไม่รูกวิธีจีนมันจะเขียนเป็นสีแดงเป็นจุดลูกโชนเนี่ยเป็นบุญเป็นบาปตรงนั้นพอถึงที่มันก็ลงคือเสพอารมณ์กินอารมณ์จนหมดแล้วก็ลงเหมือนเรากินอาหารจนกระทั่งมันหมดปากแล้วเนี่ยก็ถึงจุดที่เราจะต้องกลืนหรือจะต้องทําละฟันแปลงฟันเพื่อที่จะ กินอาหารเมื่อใหม่ต่อไปหรือเปิดาาเปิดอาหารคำใหม่ต่อไปภาพพิถิจิตก็เป็นอย่างนี้อันนี้ให้ให้ท่านนกถึงภาพเราเรานะครับภาพเราเราก็จะเห็นว่ามันไม่น่าจะแตกต่างกับประสบการณ์ในชีวิตได้หลายอย่างของเราที่เราคุ้นเคยกันอยู่เดิมสองมีการเปลี่ยนหรือเลื่อนความรู้สึกที่ผมใช้คำว่าความรู้สึกในที่นี้หมายถึงว่าการที่เรารับรู้อะไรเนี่ย เมื่อเรารู้แล้วคือรู้เท่านี้ความรู้สึกเราไปเท่านี้จริงไม่จริง <F an> อย่างเรารู้สึกในธรรมเนี่ย เ, เราเห็นว่าเราเราเราเข้าใจศาสนาเท่านี้เนี่ยความรู้สึกต่อศาสนามีเท่านี้ความรู้สึกต่อพระพุทธมีเท่านี้ความรู้สึกต่อพระธรรมมีเท่านี้ความรู้สึกต่อพระสงฆ์มีเท่านี้พอเราเลื่อนการรับรู้สูงขึ้นความรู้สึกต่อพระศาสนาก็มีมากขึ้นอย่างพระอริยะบุคคลเนี่ยแต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี่ยท่านมีความรู้สึกละเอียดอ่อนแตกต่างกันต่อพระศาสนา นะฮะหรือการครบคนการเข้าใจคนเนี่ยถ้าเราไปพบใครคนใดคนหนึ่งเราเรารู้จักเขาใหม่ๆเนี่ยเรารู้จักเขาแค่นั้นความรู้สึกต่อเขาก็มีแค่นั้นแต่คุ้นเคยกันนานขึ้นความรู้สึกมันก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นไปตามการรับรู้ของเราจิตที่รับรู้อารมณ์เนี่ยก็เหมือนกับรู้จักอารมณ์พอรู้จักมากขึ้นมากขึ้นไอ้ความรู้สึกมันมันตามนะฮะตาม แต่ว่าจะรู้สึกดีหรือไม่ดีเนี่ยมันได้ทั้งคู่แหละครับบางทีก็รู้สึกดีบางทีก็รู้สึกไม่ดีแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าที่ผมว่าดีไม่ดีเนี่ยมันโดยธรรมดาของเราเนี่ยเราไม่คิดหรือไม่เอาหลักการปฏิบัติมาใช้จากเรื่องวิถีจิตเนี่ยเราไปรับรู้อารมณ์ที่ไม่ดีพอเรารู้มากเท่าไหร่นะสมมดว่าในคนหนึ่งเนี่ยต่อหน้า <c oughs> สรนเสริญรับหลังนินทา ตอนหน้าทําท่าเหมือนช่วยเหลือแต่รับหลังเนี่ยทําลายล้างตลอดเวลาเราค่อยๆทราบลราแค้นเราายเราก็รับรู้ยิ่งเรารับรู้มากขึ้นเราโกรธมากขึ้นใช่ไหมฮะโดยธรรมดาของเราอเราเป็นอย่างนั้นเราโกรธมากขึ้นตามที่เรารับรู้ว่าเขาดีหรือไม่ดีกับเราแต่บางคนเนี่ยเราอาจจะเข้าใจเขาผิดที่แรกวของเขาถ้าอาจจะไม่ดีกับเราแต่นานไปนานไปเรารับรู้ว่าเขาเขาน่า ด, ดีกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ เหมือนพ่อแม่ที่ดุด่ า, าว่ากล่าวตอนเราเด็กๆพอเรโตขึ้นเราก็รับรู้ว่าอ๋อท่านปรารถนาดีกับเราอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เกิดความรู้สึกซาบซึ้งในคุณท่านมากขึ้นเนี่ยมันก็เรารับรู้ว่าอย่างไงความรู้สึกก็ไปอย่างนั้นเป็นไปตามเรียกว่าเป็นไปตามยถากรรมหรือเป็นไปตามอานุภาพของอารมณ์อารมณ์ประเภทใดมากําหนดเราไม่เอามาฬรการเข้าไปบังคับบัญชาชิต มันก็เป็นไปตามอำนาจของอารมณ์แต่พอเรามาเรียนรู้ ว, วิถีจิตแล้วท่านไม่ให้ปล่อยไปตามอํานาจของอารมณ์โสดเดียวอารมณ์ดีหรือไม่ดีมากระทบจิตเรารู้ว่าคนนี้ไม่ดีกับเราถ้าเอาการปฏิบัติทางธรรมะไปจับแล้วเราจะต้องไม่รู้สึกไปในทางไม่ดีใช่ไหมครัพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าถ้าเรารู้ว่าใครเขาไม่ดีกับเราเราจงไม่ดีกับเขาตอบ ก็ดี น, นะป่ะไม่มีไม่มีที่สอนว่าเขาด่าเราเราด่าตอบเขาตีหัวเราเราตีหัวเขาตอบอะไรอย่างนี้ไม่มีนะอันนี้มีอารมณ์ดีมากระทบเนี่ยเราก็ต้องทําความรู้สึกที่ดีให้มันเป็นกุศลจิตไป ห, หมดที่ตรงนี้นะครับที่จะเป็นจุดปฏิบัติที่เราได้ยินว่าโยนิโสมัติการโยนิโสมัติการอจุดปฏิบัติมันจะอยู่ในเรื่องวิถีจิตอ่าอันเนี้ยเป็นเป็นแง่ของการปฏิบัติในเชิงธรรมะ ในแง่ยถากรรมอย่างก็อย่างที่ว่านั่น <c oughs> นี่คือความรู้สึกที่เลื่อนไปตามการรับรู้เป็นข้อที่สองและเชนเพราะวังไม่มีเพอะวังนี่เท่าเก่าหลับเมื่อไหร่ก็หลับบันนี้เหมือนเมื่อวานนี่หลับปีหน้าก็เหมือนปีปีปีก่อนที่จะหลับพรุ่งนี้ก็เหมือนหลับเมื่อคือนนี้เหมือนกันสาม มีการเลื่อนอารมณ์เลื่อนหรือเปลี่ยนอารมณ์คือถ้าเป็นภวังคจิตนั้นน่ะอารมณ์ตายตัวเราได้ยินมาว่ากรรมอารมณ์การณิมิตอารมณ์กตินิมิอารมณ์ไม่ได้แปลว่าเรามีสามอารมณ์เรามีคนละอารมณ์มีอารมณ์เดียวและกรรมเช่นกรรมนิมิอารมณ์เนี่ยจะเป็นถกรรมนิมิตที่เป็นรูปก็เป็นรูปอย่างเดียวตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นกลิ่นก็กลิ่นอย่างเดียวตั้งแต่เกิดจนตายสำหรับคนนั้นๆแตกต่างกันไปอารมณ์เดียวตลอดแต่พอมาเป็นวิถีจิตเนี่ยเลื่อนขนาดไปมันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเช่น <c oughs> เมื่อบางวิถีเนี่ยวิถีเดียวกันมันรับได้ตั้งสองอารมณ์ก็มีบางวิถีนะวิถีหนึ่งรับอารมณ์ได้อารมณ์เดียวนะครับ แต่ถ้าต่างวิถีกันแล้วเนี่ยพอวิถีนี้หมดวิถีอื่นขึ้นใหม่มารับอารมณ์ยกตัวอย่างเช่นว่ า, เ, าเมื่อรูปมากระทบตาจิตที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะรับรูปเป็นอารมณ์เสียงมากระทบหูจิตที่เปลี่ยนแปลงจะรับเสียงเป็นอารมณ์แล้วแต่อารมณ์อะไรมากระทบวิถีจิตก็จะรับอารมณ์นั้นๆในทวารทั้งหกแตกต่างกันไปนี่เรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์เกิดดับและมีการเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์ไม่คงที่ เหมือนกะจิตหลับเอาความง่ายง่า ย, ยางั้นก่อนนะฮะและที่สี่มีการเลื่อนสถานที่ภาษาของท่านใช้คําว่าเลื่อนวัตถุหรือเลื่อนคูหาเลื่อนทาเลื่อนทาคูหาสํานวนในประศูนยบางประศู็ยีเขาบางทีเลื่อนเรือที่เขาเรียกเรือนะคือไอที่ตั้งเดีไซน์ของจ่ะเป็นสํานวนพูดเชิงเปรียบเทียบ ตั้เป็นสิบสิบจำนวนหมายความว่าไงอรัที่ว่าเลื่อนวัตถุเนี่ยเป็นวิถีจิตกระดับลงคือเลื่อนวัตถุที่ตั้งอาศัยของจิตมีตาหูจมูกลิน้นกายใช่ไหมนี่มันก็เลื่อนวนกันอยู่อย่างเนี้ยเวลามีอารมณ์กระทบที่ฝ่ามือจิตตั้งที่ฝ่ามืออารมณ์กระทบก็สอบจิตตั้งที่ก็สอบอารมณ์กระทบที่ตาจิตตั้งที่ตา อารมณ์กระทบที่หูจิตตั้งที่หูแล้วแต่อารมณ์มากระทบที่ไหนจิตมันก็เกิดขึ้นชนกับอารมณ์หรือประสานกับอารมณ์ที่นั้นมันก็เปลี่ยนวนของมันไปอย่างนี้แต่ถ้าเป็นจิตหลับแล้วมันหลับอยู่ที่ใจที่เดียวไม่เปลี่ยนไปที่อื่นเลยมีใครบ้างหลับที่ตาตาลืมโลงหลับไปดูไปไม่ไม่เมียนะนอกจากพูดไปพูดแต่นั้นแหละ หลับไปพูดไปหรือหลับไปฟังไปพูดไปอย่างนั้นเองแต่จริงๆแล้วไม่ได้ตอนหลับแล้วอยู่ที่ใจหมดปิดทวารเรียกว่าปิดทวารไงฮะหนังตาหย่อนหูแต่มันตูบได้มันก็ตูบครับนี่มันตูบไม่ได้ก็เลยจับไม่ได้ว่าฟังหรือไม่ฟังจมูกก็ดูไม่ออกก็ดมหรือไม่ดมแต่ตาเนี่ยรู้เลย <c oughs> นี่เป็นเป็น ข้อแตกต่างสำคัญที่มันจะอยู่ในวิถีจิตนะนั้นถ้าเราเทียบกันในพระสูตรเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระสูตรคือในคาถาธรรมบทหรือในที่ไหนก็ตามนะจะมีคำรับรองอยู่เหมือนกันก่อนที่เราจะพูดถึงระยะขึ้นระยะลงให้เห็นเป็นส่วนขยับเข้าไปนิดนึงเราคุ้นเคยกันพอสมควรนะที่พุะอาจารตรัสว่าทูลังคมังไปไกลไปไกลท่องไปไกล เอากาจารังไปเดี่ยวแล้วก็อาสลีรังไม่มีรูปรังคูหาใสาคืออยู่ทรรคูหาแปลว่าทรรในที่นี้ท่านก็ลังหมายถึงในร่างกายเ่านี่แหละครับมีถรรคือตาเป็นถ่ําหูเป็นถรําจิตท่านต้องการพูดสำนวนนี้เหมือนกับเสือหรือสัตว์ป่านะฮะสัตว์ป่าที่ไม่เชื่อง เวลเราไม่ได้มาฝึกให้มันเชื่องมันก็อาศัยอยู่ตามธรรมเดี๋ยวออกธํามนู่นไปอยู่ธรรมนี้ธรรมนี้ไปอยู่ธรรมนู้นย้ายไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วไม่มีสิริละคือไม่มีรูปร่างมองไม่เห็นตัวทํายังไงก็ไม่เห็นนะเพราะว่ามันไม่มีรูปร่างไปปฏิบัติธรรมก็ไม่เห็นไอ้ที่ว่าเห็นนั่นก็ไม่ใช่ตัวจิตเป็นอารมณ์ของจิตหรือเป็นพลังกระแสที่เกิดขึ้นจากอนุภาพของจิตที่ที่เราพูดพูดกันว่าเห็นเห็นดวงจิตน่นไม่ใช่ รูเตจ่าใบเศษไว้ในในประสูนย์ชัดเจนว่าเห็นเป็นสีเหลืองสีเขียวนั่นนะเป็นพวกที่ฝึกสมาธิเพ่งกระสินอะไรก็เห็นเป็นสีนั้นพวกทําสีเหลืองก็บอกว่าจิตสีเหลืองทําสีเขียวจิตสีเขียวแล้วมันั่งเถียงกันท่านบอกไม่ไม่ใช่จิตเป็นอารมณ์ของจิตที่เพ่งจนแนบแน่นอยู่กับจิตพ อ, พอกำหนดจิตตั้งจิตให้